พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าวิธีตัดภพตัดชาติวันนี้เป็นวันที่15้า มีนาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4แปลว่าเดือน4เพนวันนี้เป็นวันเดือน4เพนเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระกลึงเดือนแต่สำหรับวันอุโบสถเป็นวันพรุ่งนี้เพราะปลัก คารนาค า, านาเป็นปรักมาจากฝ่ายธรรมยศลงอุโบสถนัดกันวันพุงนี้เป็นวันอุโบสถเพราะนั้นพระทุกองค์ใส่ใจนะวันอุโบสถวันพรุงนี้วันนี้เป็นวันพระแต่ถึงยังไงวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้า เป็นวันพระก็คือเป็นวันของอุโสอบสถอุบาสิกาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายควรจะให้ความสนใจใส่ใจสำหรับพระผู้อยู่วงในคือหน้าที่เป็นหน้าที่ทุกวันทุกเวลาพอบวชเข้ามาแล้วคือคือมีหน้าที่อันเดียวคือหน้าที่อ่ สร้างรักษาศีลพระก็2อ7รสมมเนนก็ศีลส0แต่งแต่วันบวชเข้ามาก็สมาทานศีลมาตลอดจนกว่าวันลาศิกขาศิกขาลาศิกขาวันไหนก็วันนั้นเป็นวันจบการรักษาศีลของพระ แต่สำหรับศรัทธาญาติโยมก็วันพระหนึ่งแปดค่ำสิบห้าค่ำเป็นวันฟังธรรมหรือวันเป็นวันปฏิบัติธรรมวพนนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านขนาดเจ็ดแปดวันก็ยังขาดตกบกพ่องก็ไม่น่าจะถูกต้อง พวกเราน่าจะใส่ใจสนใจในการประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองแต่ไม่ใช่แต่เพียงให้ทานรักษาศีลเท่านั้นควรจะใส่ใจในเรื่องจิตตภาวนาด้วยเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าเราจะพูดให้ชัดเจน เรื่องทานเรื่องศีลเหมือนกับเปลือกกระพีของต้นไม้จิตภาวนาเนี่ยเหมือนกับแก่นเราปลูกต้นไม้เพื่อต้องการแก่นเรื่องจิตภาวนาคือแก่นแต่ว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกันต้นไม้จะปลูกแก่นทีเดียว ก็คงเป็นไปอย่า ง, างนั้นไม่ได้เมื่อปลูกเมล็ดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นต้นเล็กต่อมาก็มีเปลือกมีกัะพีอ่อนต่อมาก็สร้างแก่นการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราก็ในลักษณะอย่างนั้นถึงจะเราว่าถือว่ากิตตภโวนาเป็นเรื่องของแก่นก็จริง แต่คือความมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราที่ปลูกต้นไม้ขึ้นมาอย่างไม้สักไม้ประยุงตะเคียนทองมักขาดคือเราต้องการแก่นปลูกไม้เพื่อต้องการแก่นแต่ร่มของมันเป็นผลพลอยได้แต่ตามไม่จริงบางคนก็ไม่ชอบร่มอีต่างหากถ้าเป็นไปได้จะปลูกขึ้นมาให้เป็นต้นขึ้นมาให้เป็นแก่นเลย าบางคนอาจจะชอบอย่างนั้นอีกต่างหากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อปลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องมีกิง่งก้านสาขามีดอกมีใบาตามธรรมชาติของมันนี่ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเราจะมาตั้งใจภาวนาอย่างเดียวก็ได้ แต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันทั้งทานทั้งศีลเพราะพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมิใช่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระองค์ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นในพระไตรปิฎก ท่านพูดมาตั้งแต่ยาวนานกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจา้าบำเพ็ญทานศีลภาวนาเท่าไรแต่ในพระไตรปิฎกท่านก็พูดอาจจะเวอ่อเกินไปหรืออาจจะเป็นคำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเทียบไมว่ามากมายจนไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าขนาดไหน พระพุทธองค์บอกว่าเราบริจาคทานดวงตาของเรามากกว่าดาวในท้องฟ้านะฮะถ้าเปรียบถ้าเราพูดดูแล้วก็อืชักจะเกินไปหรือเปล่าฮนะน้ําตาของเราที่เราเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่มากกว่าน้ํามหาสมุทรฮนะโอ้เกินไปหรือเปล่านะีคือสิ่งเหล่านี้คือพระพุทธองค์น้ําตา ลงหยดไหนในแผ่นดินไม่แห้งหยดไม้ไม่แห้งเพระองค์ก็ว่า เ, เกิดในวันตารงสารมากมายสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธองค์เปรียบเทียบให้ฟังก็คล้ายๆกับมันมากจริงๆจนเมนู้อันไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอันไหนจึงจะเหมาะท่านจึงเปรียบเทียบลักษณะอย่างนั้นให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เพราะว่าการเกิดการตายในวัฏสงสารนี่การเวียนว่ายตายเกิดนับครรณาหาประมาณไม่ได้ถ้าเราไม่ทำให้มันฉุดเส้นเข้าไปใกล้ๆง่ายๆแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าจะทำให้สั้นได้ไหมพระพุโตรก็ว่าได้จะทำให้สันส้นก็ได้ทำยังไง ทำให้สั้นให้เร็วพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดก็ตามปฏิบัติตามธรรมคำสอนของตถาคตให้จิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมให้ใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมให้อยู่ในกายตลอดไม่ให้เผลอไปไหน ให้รู้อยู่ตลอดในกายให้รู้ตลอดในเวทนาให้รู้ตลอดความนึกคิดของเราคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ทำมาลมก็คือสิ่งที่มากระทบใจขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผลอนั่นละ่ะพวกท่านทั้งหลายอยู่ในสติปัฏฐานสีอันใดอันหนึ่งไม่ให้เผลอถ้าเร็วเจ็ดวัน จะได้สำเร็จถ้า น, านานต่อไปเจ็ดเดือนแต่ก็ไม่เกินเจ็ดปีอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์ผู้จะ ย, ยนต์การประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกโดยเร็วแต่เรามาพิจารณาตวตัวของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องดูใครละดูของท่านงพวกเราท่านทั้งหลายเอง ดูจัางหลวงพ่ออินนี่ก็ดูหลวงพ่ออินเองพวกเราทั้งหลายก็ดูวัาใจของพวกท่านทั้งหลายเองไม่ต้องดูหัวใจใครอื่นนาทีหนึ่งนะ่ะเราตั้งนาฬิกาดูสิมันเผลอไปที่ไหนกี่ครั้งนี่แหละอันนี้แหละคือจุดนี้เป็นจุดที่พูดง่ายแต่ถ้าว่าพูดที่ลงมือปฏิบัตินั้นมันยากยากจางยากมากมาก เพราะมันเอาไม่อยู่ดูจิตใจของเราไม่อยู่แต่พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าถ้าผู้เห็นภัยจริงๆเห็นโทษในวัฏสงสารจริงๆเห็นภัยจริงๆผู้นั้นก็มีโอกาสเห็นภัยขนาดไหนเห็นภัยขนาดท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับเพชรสกาดเดินตามหลังเรา บอกว่าเพชรสาศบอกว่าท่านนี่นะโทษประหารนะแต่มีทางไปรอดได้อย่างเดียวก็คือท่านต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ถึงจะรอดได้ทางว่าท่านไม่ปฏิบัติขาดตกหล่นเมื่อไหร่คอของท่านก็ต้องขาดปฏิบัติอย่างไรเพชรสกาศก็บอกว่านี่นะเอาขันน้ํำบรรจุน้ํา น้ำมันงาให้เต็มที่ยกได้น้ำปานงานที่ยกได้สบายแต่ให้เต็มเปี่ยมแต่ให้ท่านเดินตามทางทางเป็นทางธรรมชาติทางกรุกระตามปกตินอนทวนทางไม่ใช่ทางลาดยาไม่ใช่ทางปูปูนซีเมนต์เหมือนกับทางสัญจรหากันทั่วๆไปแต่ท่านจะให้น้ำมันงาหก ถ้าน้ำมันงาหกแม้แต่หยดเดียวคอของท่านก็จะขาดทะบันลงในจุดนั้นอันนี้คือปยามัจจุราชท่านให้ถือขันทีนี้ผู้ที่กลัวตายกลัวมรณะภัยคือกลัวกลัวทุกกลัวตายที่กลัวตัดคอนะเขาคนนั้นจะพยายามประคับประคองน้ำมันงาขันนั้น ให้ทีท่วนดีที่สุดเพราะรักษาชีวิตของตนเองเมื่อเขาให้ขันน้ำมันงานเลยแต่ก็ให้เดินเดินก็ให้ถูกไปตามเวลาที่เขากำหนดไว้แากนั้นเราก็เดินเดินเดินเดินตาของเราจะจ้องเขม็งอยู่ที่ขันและในเท้าด้วยติตของเราสมบูรณ์หมดทุกอย่างในช่วงนั้นความเผลอแปลว่าไม่มี เพราะชีวิตของเราเรากลัวเนี่ยที่จะตัดคอนี่การเดินของเราก็ดีการย่างก้าวของเราก็ดีสติปัญญาของเราความรอบคอบของเราก็ดีมันจะพร้อมกันไปทุกอย่างเพราะไรเพราะกลัวมรณะภัยคือกลัวคอขาดเพชฌฆาตถือดาบเดินตามหลังอยู่ ถ้าหาว่าพวกท่านทั้งหลายกลัวทุกข์กลัวตายกลัวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนกับคนถือถังขันน้ํามันงานั้นนั่นแหละพวกท่านทั้งหลายจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าใจของท่านจะไม่เผลอเลยให้พิจารณากายก็อยู่ในกายพิจารณาจิตก็อยู่ในจิต พิจารณาธรรมก็อยู่ในธรรมจะต้องอยู่ในจะติดปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมให้อยู่กับกรรมฐานใดใจของท่านจะอยู่ในกรรมฐานนั้นเพราะกลัวทุกข์อันนี้ก็คือท่านเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เถอะนะถึงจะได้ยินแล้วกลัวก็กลัวอยู่แต่จะมุ่จะทำยังไงบัณบังคับจิตใจของเรามันไม่อยู่บังคับมัน ไม่ได้สติของเรามันอ่อนแอความกลัวม ก, วก็กลัวผลี่สุดก็น่ะมันก็เลยวางมรณะภัยและว่าความตายนะ่ถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายต่อไปเพราะยังไม่มาถึงเราแต่เมื่อไรความตายเขามาถึงเมื่อ น, นั้นแะเราจึงเชิดุ่งอย่างแรงจะทำยังไงได้มันก็ตายไปเสียแล้วนี่แหละอันนี้ก็ เป็นข้อเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายในการเป็นอยู่ที่พวกเราจะย่นในทำคำสอนเรื่องย่นมรรคผลนิพพานเข้ามาสู่ตัวของพวกเรานะ่ยย่นด้วยวิธีการอย่างไรเนี่ยถ้าว่าพวกเราไม่ย่นก็ตามภาษีภาษาปล่อยไปเรื่อยเออเลเหยลอยลมไปเรื่อยแต่ละวิแต่ละวันก็บาเพ็ญไปด้วย สมนึกใดบ้างนึกใดบ้างคิดใดบ้างเห็นอะไรจังทุกขังอนัตตาบ้างเผลอเลอไปบ้างสนุกสนานไปบ้างรุ่มหลงมัวเมาไปบ้างแต่โดยมากมันจะบ้างออกข้างนอกมากกว่าที่จะบ้างเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตราตรวจดูตนเอง ในเรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดให้ภาวนาสรุปแล้วเรามีโอกาสที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าป่าดงพงไพ่อย่างนี้หาได้ยากเมื่อเราออกไปอยู่ภายนอกเราก็ปล่อยไปอีกในระดับหนึ่งแต่พอเข้ามา อ, อยู่ส่วนในอย่างนี้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ เราไม่ควรจะปล่อยปาละเลยไม่ควรจะปล่อยจิตปล่อยใจจนเกินไปควรจะยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินอย่างไรอั น, น้พวกเราให้ยึดตามแนวแนวแถวสมร t ติดทําจิตใจให้สงบท่านทําอย่างไรก็ท่านก็สอนมีวิธีกรรมวิธีการมากมาย ที่จะโน้มน้าวจิตของเราให้มาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมการโน้มน้าวจิตใจถ้าจิตใจของเราคึกขนองจิตใจของเรารุ่มหลงมัวเมาว่าโลกวัรทสงสารนี้เป็นเครื่องอยู่อาศัยมีความสุข ก, กายสุขใจอยู่กับพี่กับน้องกับลูกหลานปรงสาคณาญาติครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหา ถ้าเราถือว่าเรามีความสุขไงละ่ะคือความตายใจและความนอนใจจะเกิดขึ้นกับพวกเราในช่วงนั้นๆเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะน้อมจิตใจมองดูว่าผู้ที่เกิดมาก่อนของพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายปวงสาคณาญาติของเราไปไหนหมด เมื่ออายุผ่านไปแล้วแล้วก็พ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีอายุมากเราก็มองดูอีกแล้วก็เปรียบเทียบมาหาเราผู้ที่ตายไปแล้วเราก็เปรียบเทียบมาหาเราผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เปรียบเทียบมาห า, หาเราอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องเป็นอย่างท่านเหล่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอันนีค้คือความโน้มน้าวจิตใจของเรา ไม่ให้ลุ่มหลงอมัวเมาประมาทอยู่ในโลกวัตะสงสารจนเกินไปเปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบภายนอกเปรียบเทียบภายในของเราผลในสุดมาดูเราแก่ไปทีละวันละวันแต่ละเวลาให้สังเกตดูตัวเองถ้าพวกเราวพวกเราท่านทั้งหลายสังเกตตัวเองเมื่อมีอายุถึง หกสิบกว่าเจ็ดสิบเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกในตัวของเราไม่ต้องถามใครถึงใครจะเปราะพูดว่าท่านมีสุขภาพผีป่านาอาท่านมีสุขภาพเหมือนเก่าอย่าไปสงหลงคำชมเชยของเขาให้ดูตนเองข้านี่คือใครขนาดนี้ขนาดนี้มันเป็นลักษณะอย่างไร สิ่งเหล่านี้แปลว่าให้มองมองดูตัวเองอยู่ตลอดคนนั้นจะไม่หลงถึงใครจะยกจ่องยังไงก็เถอะตัวของเรารู้แก่ใจว่าค่าเนี่คืออะไรค่านี่เป็นอะไรความสุขกายสบายใจแล้วว่าความแก่ชราของค่านี่มาถึงไหนไปถึงไหนจะไปถึงไหนฮะต้องมองไปทั้งฝ่ายข้างหน้าอีกต่างหาเพราะนั้นเมื่อเรามอง ย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนในการเป็นอยู่ของเราเราก็จะไม่ล่มหลงซึงเราจะไปอยู่นสถานที่ใดถิ่นใดมีความสุขกายยังไงก็ตามแต่ใจของเราเนี่ต้องคิดไปอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งข้าเนี่ยจะต้องลาโลกข้าจะต้องทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราคิดอย่างนี้ไว้อยู่เสมอในจิตใจพวกเราไปอยู่นสถานที่ใด เราจะไม่ลุ่มหลงจะไม่มัวเมาจะไม่ประมาทในสถานที่ตัวเองอยู่ณสถานที่นั้นๆรู้เท่ารู้ทันอยู่ตลอดแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขกายว่าจาจใจของตนไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องอถ้าคนคิดอยู่อย่างนั้นใจของเราจะเวลาคิดก็คิดไปในทางที่ถูกต้องถ้าคิดไปใน Cut, ทางที่ไม่ถูกต้องมันจะเตือนตนเองว่าค้าคิดออกนอกลู่นอกทางเปล่าประโยชน์มันได้อะไรควรจะคิดไปในทางที่ที่ถูกต้องนี่แหละเราจิตใจของเราก็จะตล่อมมาสู่คิดดีเมื่อคิดดีแล้วก็เวลาลงทำงานหรือวาทำอะไรลงไปก็ทำดีมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ถ้าพูดออกไปก็มีแต่พูดสิ่งที่สร้างสรรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ พูดได้ยินได้ฟังพูดก็จะพูดดีเพราะเหตุไรเพราะใจของเราอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยความไม่หลงไหลมัวเมากับโลกวัตะสงสารจนเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะและวิธีการปฏิบัติจะทํำยังไงจิตใจที่เป็นสมร tha ทำจิตใจให้สงบ อันนี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมากมายกรรมาฐาน40ของพระพุทธเจ้าก็มากกว่านั้นไปอีกเพราะบางเสียงบางอย่างก็เป็นหน้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะสอนเราแต่บางทีท่านก็สอนแต่พวกเราก็ให้สังเกตตนเองอีกต่างหากถึงท่านจะสอนถึงท่านจะบอกแต่พยายามเราก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนแต่เมื่อท่านสอนแล้ว เรามันถูกหรือเปล่าถูกกับจริตของเราหรือเปล่าอย่างนีเ้เราก็ต้องพยายามดูว่าอันไหนที่มันถูกกับจริตของเราเราก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นมันได้ผลพอมาได้ผลล้าก็เปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกต่างหากาไม่ใช่ว่ า, เ, าเราได้ผลก็จริงอยู่พอส่งจิตออกไปเห็นเทวบุตรเท ว, วดา เดี๋ยวรก็เห็นได้ยินเสียงมากระซิปที่หูบังอะไรที่อะไรบ้างสิ่งทรงจิตออกไปอผลที่สุดนะั่นแหะเป็นบ้าเป็นบอนอนไม่หลับอีกตางหากอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้เราจะไปเอาแต่ใจตนเองก็ไม่ได้เราก็ต้องฟังแนวแถวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยผ่านมาแล้วแต่ถึงยังไง ถึงจะยึดกรรมาฐานไหนมาปฏิบัติก็จริงแต่เราก็ต้องอยู่ในแนวความคิดของท่านผู้รู้เอามาก่อนท่านรู้อย่างไรท่านสอนอย่างไร เ, เราก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างที่ใจของเราชอบเออข้าพเจ้าชอบอย่างนี้ข้าพเจ้าต้องพิจารณาอย่างนี้ทําอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นยังไง ผลออกมาออมันถูกต้องไหมแต่ถึงยังไงในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนถึงจะเห็นเรื่องอะไรก็าตามเรื่องภายนอกเรื่องภายในเรื่องไหนก็าตามให้เห็นอันนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังออสิ่งที่มันไม่เที่ยงจะเป็นสุขได้ยังไงมันเป็นทุกข์และกัสิ่งที่มันเป็นทุกข์นั้นเราจะยึด ว่ามาเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างไรแต่อยู่ในไตร ล, ลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาถึงจะผิดยังไงก็ไม่สุดโต่งเออไม่ไปสุดโต่งแต่ถ้าว่าพวกเราออกนอกจากกฎอนิจังทุกขังอนัตตาเออพอพิจารณาไปเห็นนิมิตเออด้วยตัวเองจะเป็นเทวดา เป็นบุคคลวิเศษเป็นบุคคลสําคัญไม่มีใครที่จะยิ่งตัวกว่าตัวของข้าพเจ้านั่นแหละตัวนั่นแห่ะมันจะเป็นบ้าเป็นบอเกิดวิปัสนุอุปกิเลสได้ง่ายๆถ้าเราย้อนมาถึงยังไงก็เถอะในจั ก, กรวาลเนี่ยถึงจะวิเศษวิโสขนาดไหนก็เถอะไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงจากกดอันิดจังของไม่เที่ยง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราถ้าเราพิจารณาถึงไตรลักษ์อยู่เสมอไตรลักษ์เนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถึงเราจะภาวนาอย่างไงจิตใจสงบหรือไม่สงบอย่างไรหรือจะไปเห็นเทวบุตรเทวดาอินพรมเห็นเทวดาชั้นพรมเออชั้นไหนก็เถ อ, อะเออจะเข้า ระดับไหนก็เถอะพลังอันไหนก็เถอะในจั ก, กรวาลเนี่ยถ้าอยู่ในาบางคนกนว่านี้เพราะคนเรามีพลังจั ก, กรวาลไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข่ไม่ตายมันมีไหมมันพูดได้แต่ผลที่สุดก็นะ่ะมันก็อยู่ในกฎในจางทุกขังอนัตตาด้วยการหมดทุกคนหลอกกันไปหลอกกันมาเท่านั้นเอง ถ้าเราฉันได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมองดูตนเองข้าพรเจ้าเกิดมาแล้วอยู่ในกฎอเนกจังอีกสักวันหนึ่งข้าพรเจ้าจะต้องทิ้งกระดูกทั้งหมดไว้ในแผ่นดินไม่ทิ้งก็ต้องทิ้งจะทำยังไงมันตายแล้วเพราะนั้นก่อนที่เราจะทิ้งลงแผ่นดินเราศึกษาซะก่อน ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะร่างกายก็คือร่างกายคือรูปประธรรมร่างกายคือรูปประธรรมแต่จิตใจนั่นคือนามธรรมตัวผู้รู้รู้อยู่นี่นคือนามธรรมตัวทวะะวี่รู้เนี่ยตัวนี้จะไม่ตายแต่ตัวรู้รู้เนี่ยมาอยู่ในร่างกายของเราคือรูปประธรรมรูปประธรรมของเรามีครบทุกอย่าง ธรรมชาตมิมันสร้างขึ้นมาบนศีรษะก็มีมันสมองแล้วก็มีประสาทกระตุกไปประสาทหูประสาทตาประสาทจ ม, มูกประสาทลิ้นประสาทความสัมผัสทางกายผลในสุดมันก็เข้าไปถึงตัวประสาทข้างบนตัวศีรษะเป็นผู้รับรู้แต่ตัวนั้นเป็นตัว ตัวใหญ่เป็นผู้สั่งการแต่ตัวที่มาใช้ปาสาทนั่นคือใครนี่แหละนักวิทยาศาสตร์ระดับไหนก็เถอะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในจุดนั้นนอกจากทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะถึงจุดนั้นได้จุดนั้นคืออะไรอันนั้นก็คือวิญญาณหรือมโนหรือว่าใจหรือผู้รู้หรือนามธรรม จุดแท้แต่จะเรียกตัวไหนแต่สรุปแล้วก็คือเป็นตัวหนึ่งนอกจากร่างกายสตวดนามธรรมที่ตามองไม่เห็นแต่มีความรู้สึกอยู่แต่ตัวนั้นแหละมาบังคับอยู่ที่สมองของเราสั่งการตาไปเห็นมารับรู้หูได้ยินมารับรู้จมูกรับรู้สรุปแล้วก็คือ ใจของเราเนี่รับรู้ในทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเมื่อรับรู้แล้วเมื่อเป็นสิ่งที่ดีตัวผู้รู้ก็กดีใจเขายกย่องสรรเสริญแต่เขาดา่าเขาแสดงอากับกิริยาผู้รู้นี่ก็จิตใจเศร้าหมองไม่พอใจมีความโกรธ สรุปแล้วนในใจของเรานะี่มีแต่โลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลาในตัวผู้รนะู้ตัวนามธรรมตัวนั้นนะที่เข้ามายึดสมองของเรานะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถสมองของเราเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่กับรถนะสมองกลของรถสมองกลของรถถึงจะเป็นสมองก็เถอะมันอยู่ในรถเขาประกอบมาแล้วแต่คนที่มาใช้รถนะ มาจะต์ดเครื่องขึ้นมาแล้วมากดมาใช้สมองแล้วนะเป็นใครเป็นคนเป็นเจ้าของของรถเป็นคนที่ขับรถเป็นเจ้าของรถที่ขึ้นไปนั่งเป็นโซูเฟอร์รถนี่แหละไอตัวโซเฟอร์รถนี่แหละถ้าไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะหาไม่เจอจุดนี้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านให้ทำอย่างไรท่านบอกว่าสมาธิทำจิตใจ กำหนดลมหายใจเข้าเป็นเบื้องต้นให้มีสติสัมปชัญญะในเมื่อมีสติสัมปชัญญะดูตลอดบังคับตัวผู้รู้อยู่ตลอดมีสติอยู่กับให้อยู่จนจุดไหนก็อยู่จุดนั้นอยู่ตลอดไม่ให้มันเผลอบังคับไม่ให้มันเผลอในเมื่อมันไม่เผลออยู่กับที่จิตใจก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจะแยกเห็นได้ชัดเจน ร่างกายกับปใจใจกับร่างกายกายกับร่างใจรูปธรรมนามธรรมหลวงพ่อเปรียบเทียบเท่าไหร่หลวงพ่อเขาบอกเปรียบเทียบว่ารนถะกับคนขับรถนามธรรมาคือคนขับรถรูปธรรมคือรถหลวงพ่อเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละความสําคัญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทํายังไงจิตใจจุดนี้จึงจะสงบจิตใจจึงจะเป็นหนึ่งนี่แหละไม่ใช่หน้าที่ของพวกผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ละท่านจะต้องศึกษาและจะต้องปฏิบัติใครทําแทนไม่ได้จุดนี้เหมือนกับเราทานอาหารคนอื่นทานอาหารแทนเราเขากระอิ่มท้องของเขา แทนเราไม่ได้เขาเรียนหนังสือเขาก็ได้ความรู้ของเขาเราจะได้ความรู้เขาเรียนแทนเราเราได้ความรู้เป็นไปไม่ได้มีแต่เขาแนะนําบ้างเมื่อเขาได้ความรู้มาแล้วเราไม่เชื่อเขาอีกต่างหากมันก็จบมันก็เพียงแค่นั้นไม่ได้อะไรเพราะนั้นในภาคปฏิบัติทั้งหลายเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง ฝยใจต้องต้องฝ่ใจในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติเรียนรู้แล้วก็นามาประพฤติปฏิบัติสมัตคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเพียงจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละเป็นอัปปนาสมาธิเรามั่นใจเลยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครมันมั่นใจในตัวเองเพราะเหตุใดมันเห็นได้ชัดในความรู้สึกของเรา นี่แหละอันนี้คือสมถะเพียงสมาธิเพียงแค่นี้เราก็มั่นใจแล้วว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครเรารู้ด้วยตนเองธรรมะเป็นปัจจัตังรู้ได้เฉพาะตัวเองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติจากนั้นเมื่อเราจิตใจเข้าสู่เป็นสมถะเรามั่นใจถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิหรือว่าใจของเรามั่นใจว่ากายกับใจใจกับกาย เป็นยังไงจากนั้นเราก็ศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าต้องเดินวิปัสสนาจะ ท, จ ท, จะทจําจิตใจทำจะทําจิตใจยังไงจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในเมื่อเราเชื่อเปาะหนึ่งแล้วเปาะที่สองเปาะที่ ส, เ, สเราก็มั่นใจเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจนพระพุทธองค์แนะนําจนสุดท้ายว่าใจของเรามันก็ไม่ใช่ของเรา พอใจของเรามันยังมีอาการเศร้าหมองผ่องใสเป็นอนิจจังคอบงำอยู่ในใจของเราอยู่ปล่อยวางกระทั่งใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นใจใจเป็นอิสระใจไม่อยู่ในเครื่องคอบงามของกิเลสราคะโทสะโมหะใจเป็นอิสระใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส นี่แหละอันนี้ก็คือเราต้องศึกษาในเมื่อเราเชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในระดับหนึ่งตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลแล้วก็ทำจิตใจให้สงบจากนั้นก็ดูแยกดูกายดูใจจากนั้นก็พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาพิจารณาใครเป็นคนพิจารณาใจเป็นคนรับรู้รับพิจารณาทบทวนในสิ่งเหล่านั้นจากนั้นใจก็ต้องมาดูใจหวนก็มาดูใจ ใจของเรามีอะไรบ้างทําไมจึงไปติดยึดในสิ่งเหล่านั้นนี่แหละผลใสุดกวางที่จิตที่ใจของพวกเรามรรคผลนิพพานในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าอยู่ที่ใจหลงที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจใจของเราเป็นอิสระใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรมรม เป็นจิตใจที่นอกเหนือจากสมมติทางหลายทางปวงนี่แหละสรุปแล้วก็คืออยู่ในใจทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะศึกษาสรุปแล้วต้องศึกษาที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพุทธกมีเป็นวิสัยของ พ, พระสาวกกมีวิสัยของพุทธ ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์สเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านมองดูพระมหากัสปะพระมหากัจปะเถระอยู่ถ้ำปิปริคูหาอยู่ในถ้ำพระมหากัสปะไปเที่ยวไปดินบินทบาทพอบินทบาทกลับมาแล้วท่านก็ฉันพัตทหารเสร็จแล้วท่านก็นั่งขัดสมาธิ ท่านตรวจตราดูจตูปะปะตาตยานที่ท่านได้ได้ได้สําเร็จจุตูปะปะตาตยานเอ่อแปลว่าปุเพเนว่าท่านก็รู้จุตูปะปะตาตยานท่านก็มองดูสรพรพสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิที่ตายไปที่เกิดในมหาสมุทรทะเลในจั ก, กวรวาลเออมองดูแล้วเออ มองดูโอ้โหแต่ละวิญญาณแต่ละสรรพสัตว์ทั้งหลายมันเกิดเกิดขึ้นมานี่ยท่านมองมองดูพระพุทธองค์อยู่ที่พระคันทกุดีมองตัวตราดรูว่าเออลูกของเราเนี่ยกัจจปะเนี่ยเขาวางเขาทําใจยังไงเขาทําอะไรอยู่เดี่ยวนี้ท่านมองท่านเห็นพระมหากัตจปะมองดูให้เขาว่าตวรวจดูจูตูต ป, ป่าตาหยาน ให้การเกิดการตายของสัพพสัตว์พระพุทธองค์บอกว่าท่านก็เลยเแสดงตัวนิมิตเข้ามาเตือนพระมหากัตปะกัตปะการดูสรพพสัตว์การเกิดการตายมันไม่ไม่ใช่วิสัยของเธอกัตปะกำลังของเธอเนี่ยน้อยไปมันต้องวิสัยของพุท ธ, ธเธออย่าไปสนใจ เ, เ, เรื่องการเกิดการตายของสรรพสัตย์ มันมาก เ, เครื่องมือของท่านไม่พอพูดง่ายๆอย่าไปดูเถอะเสียเวลาดูแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขนาดพุทธะ อ, อ, อย่างเราเนี่ยเรารู้มากเหมือนกับวิทยุที่มีกำลังส่งเรียกว่าถี่ขึ้นถี่ลักษณะอย่างนั้นนะของพุทธะนี่แหละอันนี้ก็คือ เป็นวิสัยของพุทธะก็มีเป็นวิสัยของพระสาวกก็มีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่างลุงพ่อเป็นต้นนะลุงพ่อจึงไม่ได้น้อยใจไม่ได้คิดอะไรบอกกล่าวเท่าที่จะบอกกล่าวได้สอนเท่าที่จะสอนได้แนะนำเท่าที่จะแนะนำได้ผู้ที่จะฟังหรือไม่ฟังมันเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละกรรมของแต่ละคนแต่เราก็พยายาม บอกกล่าวแนะนำให้ดีที่สุดที่เราได้รู้ได้พบได้เจอได้เห็นได้ปฏิบัติมาอย่างไรได้ผ่านมาอย่างไรอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาอย่างไรเราก็พยายามแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อการศึกษาถ้ามีผู้มีอุปนิสัยอยู่ก็เอาฟังไปแล้วก็ปฏิบัติ ถ้าไม่เชื่อในหลวงพ่อเอาไปค้นดูตำรับตำราไปเชื่อไปฟังตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมีมากมายแต่หลวงพ่อพยายามใช้ภาษาให้ตื้นใช้ภาษาให้ฟังได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายพยายามทำภาษาให้ตื้นเท่านั้นเองแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะ่เหมือนเก่าแต่พวกเราปรับปรุง ให้มันถูกกับปากคนท่านเองว่าเราจะปรับปรุงยังไงอาหารเนี่ยมันจึงจะเหมาะสมกับการและสถานที่กาละเทศบุคคลนั้นๆกลุ่มนั้นๆอันนี้เราพยายามปรับปรุงท่านเองแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านคงเส้นคงวาเป็นสวากาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกับน้าแข็งใครจะไปจับน้าที่สะอาดอยู่แล้วทําไงน้าสะอาด ไปกินไปดื่มก็ได้แต่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในซอกหินแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงจึงจะเอาออกมาได้หลวงพ่อก็พยายามหาหลอดหาจะบอกไม้ไผ่หรือหาอันไหนที่จะให้น้ำออกมาให้พวกเราได้ดื่มได้ดื่มรสในพระธรรมให้เข้าใจเรือให้ได้ดื่มรสอมตะธรรมจุดนั้นได้ง่าย นี่แหะอันนี้พวกเราก็หาช่องหาทางช่วยๆกันหาช่องทางเพื่อจะได้ใช้น้ําอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าใไในริมรถนะแต่ว่ามันมีอยู่แล้วน้ําอมตะของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แต่พวกเราช่วยกันเอาอยัางไงมันจะจะตื่นขึ้นมันจะจะเข้าใจเอ่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสวดสิสวดสติปตฐานสี่สิ ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเป็นภาษาบาลีเราจะได้เป็นอะไรัหมมันก็ไม่ได้มีแต่สวดเพราะเขาแม่เราไม่เข้าใจภาษาบาลีสวดกายเวทนาจิตทำสวดแล้วสวดอีกสวดแล้วสวแต่เราก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อเอาเรามาแปลเถแปลว่าอันนี้นะสวดคำนี้แปลว่าอย่างนี้สวดคำนี้แปลว่าอย่างนี้เราก็เข้าใจใน ในการแปลแล้วก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วนำนำมาประพฤติปฏิบัติเขาว่าตื่นขึ้นนะลักษณะอย่างนั้นนะเพรา ะ, ะนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านจะแนะนําสั่งสอนยังไงพวกเราจะเข้าใจได้ง่ายท่านก็พยายามทั้งสอนแต่บางท่านบางคนคนก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของเราแล้วจะแนะนําสั่งสอนยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะเหตุไรเพราะมันไม่อยากเข้าใจ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วแบบแนะนํายังไงว่าเข้าใจหมดเพราะเหตุไรเพราะกลุ่มของใครของเราครูใครอาจารย์เราอย่างพระเทวทัศน์ก็คงจะไม่มีลูกศิษย์มากถึงขนาดนั้นก็คงจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดพอเทวทัศน์พูดเลยลูกน้องเชื่อหมดแต่พระพุทธเจ้าพูดโอ้ยขี้คุยหันหลังให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่างหากพอเทวทัศน์พูดเออใช่ถูกต้องอาจารย์เราพูดเนี่ย นี่แหละสรุปแล้วก็คือครูใครอาจารย์เราแมลงผู้แมลงพึ่งเป็นกลุ่มของใครของเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเหล่านี้คล้ายๆพวกเราให้สำนึกใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดเราไม่ต้องดีใจและเสียใจในชุมชนกลุ่มชนหมู่ใหญ่เราจะพอที่จะทำอันไหนได้ให้ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสำหรับตัวของเราเอง พอต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างตายไปอีกสักวันหนึ่งไม่ถึงร้อยปีหรอกไม่ใช่ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ได้ฉาบได้แช่งกันมีแต่สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท่านั้นะพวกเราท่านทั้งหลายนะการกล่าวสัมโมทนาจกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจิตติเออตอนนี้ไปนั่งสมาธิทนะี่นะีนะ